ในช่วงที่เรายกย่างเหยียบยกย่างเหยียบเนี่ยช่วงไหนเป็นใจ ร, รักช่วงไหนเป็นใจสีขาใครอาสาตอบถ้าไม่มีใครอาสาตอบก็จะถามเป็นหลายคนถ้าหาว่าคนไหนตอบถูกก็จะอยุ่ที่คนนั้นถ้าคนไหนถ้าได้ไม่ได้ครับถ้าไม่ได้คำตอบที่ถูกก็จะตอไปเรื่อยเรเริ่มเตือนจากคุณใจก่อน ช่วงที่ยกย่างเหยียบยกย่างเยียบหนักเบาหนักเบาเนี่ยช่วงไหนเป็นสมถะเอาช่วงไหนเป็นไตรลักษ์ช่วงไหนเป็นตไนนตรสิขา ใจใช่ไหมมันเข้าใจในความหมายแต่มันไม่สามารถอธิบายโอเคไม่มั่นใจเอาคุณกุ้งว่าเรายกย่างเหยียบยกย่างเหยียบไปเลยในช่วงไหนเป็นไตรรักช่วงไหนเป็นไตรสีขามัานาม่นใจไหมต่อไป คุณปอยกอย่างเหยียบไปเรื่อยๆเนี่ยช่วงไหนเป็นไตรลักษณ์ช่วงไหนเป็นไตรสิขาดัางนิดหนึ่งมั่นใจไหมคอนข้างโยมชื่ออะไร ยังไม่รู้จักชื่อกันอยู่ด้วยกันหลายวันไม่รายงานตัวเลยฮะที่ต้องนะต้องถูกต้องผิดต้องดีต้องช่วยยังไงรู้ปะโยมต้องเนาะต้องใส่ถูกไปอีกตัวหนึงถูกต้องโอมถูกต้องว่าขณะที่เราเดินเนี่ยช่วงไหนเป็นไตรสรักรู้ใช่ไหมใจรักมีอะไรบ้างนะช่วงไหนเป็นไใจสีขาก็รู้ว่าใรสีขามีอะไรบ้างเนาะโอเคเอาตอบดู ไม่ชัดเจนนะาไปโยมโยมสมทวินรัศมีรัศมีทัดรัศมีโชตในช่วงที่เราเดินโยกย่างเหยียบเนี่ยช่วงไหนเป็นไตร ล, ลักษณ์ช่วงไหนเป็นไตรศิรา มั่นใจไหมไม่มั่นใจประมาณนั้นอ่ะโยมคนต่อไปชื่ออะไรมนทิพัฒนทิพอ่าโยมมนทิพในช่วงที่เรายกย่างเหยียบเนี่ยช่วงไหนเป็นไตรลักษณ์ช่วงไหนเป็นตไนนตรสิขา มั่นใจไหมอ้าวยมต่อไปชื่ออะไรฮะ น, พ น, นิพาพรยมีนิาวพรรูปไหมว่าเดินแต่ละครั้งเนะี่ยช่วงไหนเป็นตไตรลักช่วงไหนเป็น <c oughs> ตไตรศิขา พอถามไปเรื่อยๆไหมค่อยยังไม่ได้เป็นคำตอบที่ฟันธง1้0เซก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆอาตตายมจำชื่อไม่ได้ฮะัมทุกชื่อจริงด้วไงสมชัญชายาเนะาะฮัชยาอ่าฮัมทุกว่าเดินถูยุควันเนี่ยสังเกตไม่ว่าช่วงไหนมันเป็นไตรลักษณ์ช่วงไหนเป็นไตรสีขา ดังเสียงดังกว่านี้ น, นิ้เดียวแคเหียบเป็นแต่ลักษณช่วงไหนเป็นไตรศีขษะฮะห้อเชื่อมต่ออ่อโชว์ที่เดินอยู่ทุกวันไปมาไปมาไหนช่วงไหนเป็นไตรลักษช่วงไหนเป็นไตรศีรษะ ทีนึอ่ะอาคุณวารีต่อเนี่ยช่วงไหนมันเป็นอย่างนั้น ช่าไหนที่ไปรั่วมันเป็นไตสิขามันเป็นทั้งไตสกไตสิขาไปพร้อมกันเลยใช่ไหมได้เก้าสิบเปเซนต่อไปมอยมเดินไปเนี่ยมาขอเดินไปเงี้ย บางครั้งเป็นไตลักบางครั้งเป็นไตสิขาอยากจะทราบว่าช่วงไหนเป็นไตลักช่วงไหนเป็นไตสีขาโยมเดินมานานแล้วรู้อย่างนี้ไหมเพิ่งรู้ใช่ไหมเพิ่งรู้เอาไว้ก่อนอ้าว โยมคุณ่อมาื่อโยมยเลยฮะโยมนานในใไม่จะไม่แน่ใจอ่ะถ้าไม่แน่ใจผ่านไปก่อนต่อตไปคุณเปิ้ลคุณไม่ต้องแอบเสา <c oughs> คุณเป็นนักเรียนของยุวพุทธด้วยมีลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์หลอาจารย์เลอแพร่ f มาก อันไหนเป็นตรายรักนะวิทยาศิขาที่เดินแต่ละครั้งเนี่ย เป็นช่วงไห น, เ ป, นเป็นทุกช่วงแล้วตอบอีกครั้งหนึ่งตอบครั้งที่สองเพื่อยึดยึดความมั่นใจ เ, นเออนั่นแหละ น, นั่นสำหรับย <c oughs> ยงเปืนเองเนี่ยที่เดินเดินทั่วไปเนี่ยเป็นอย่างนั้นได้ทุกช่วงหรือเปล่าเพราะอะไร <c oughs> เป็นอะไรมากกว่าระหว่างต า, ากระต่ายสีขา ว่ใจรักเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ใช่ไหมทำไมปล่อยมันมากกว่าเขาจะทำงางให้มันเต็มเอาทำไมไม่ใส่ใจขนาดนั้น <c oughs> ได้เก้าสห้าเอร์ซ็อีห้าเรเซ็นตยงเต็มอายงมาลยชื่ อ, อาจ า, <c oughs> จารุวันจารุอ่า ขนาดที่เดินไปเดินมาทุกวันเนี่ยช่วงไหนเป็นไตรักรช่วงไหนเป็นไตสีขาอีกหเปเ์เท่านั้นนะจะเต็ม โยมเดินทุกครั้งเนี่ยต้องการใจรักหรือตจสีขาทุกครั้งที่เดินเนต้องการแต่ตัวเองต้องการใจรักหรือตจสิีขาก็นั่นดีแต่ทําไมไม่ทำํำผมรู้สึกตัวไม่พอแต่รู้เข้าใจนะทำไงให้มันพอได้อยู่ใช่ไหมแต่ทําไมไม่ทํา โอ้ไม่ใช่เดินมาตลอดชีวิตแล้วนะ <c oughs> อ๋อเราไม่ครบแบบนี้นะได้เก้าสิบหกเซ็นทีเดียวเอาได้อีสี่เ่อร์เซ็นชื่ออยรเยชื่อ <c oughs> สิรินฮสิรินนะเออเดินเดินอยู่ทุกวันมาเดินที่ได้กี่วันแล้วอันที่หกแล้วช่วงไหนเป็นไตร ล, ลักช่วงไหนเป็นไตรสิขา ได้แปดสิบห้าเปอร์เซ็นตรุดมาเอายมต่อมาเชื่อโยมนี่คนใหม่นี่นะบางทีถ้าคนใหม่โช่เนี่ยโอโ้โหพวกเราเนี่อายมุนเลยนะคนใหม่ว่าไงชื่ออะไรนะฮะเออเป็นช่วงไหน ถ้ามันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเพราะอะไรมีสติในขาสัมพันธ์ ญ, ญาได้แปดสิบอ้าวโยมโตมาชื่ออะไระุกอสองทุกนะนะอีกคนหนึ่งลดทุกทุกอีกหนึ่งกระ ก, ก, กแกหรนะือเปล่านะายทุกว่าไงว่าเดินทุกวันเนี่ยหกวันมาเนี่ยช่วงไหนเป็น ใจรักช่วงด้ใสีขาที่เราเดินปกติยย่างเดี่ยวก็คือเป็นใจรอ่อนนาาเดียแต่ถ้าเราเรับรู้ใส่ใจว่ามันหนักมันเบาหรืออะไรแล้วมันเป็นพุ่อยู่มันหนักอยู่เราต้องการที่จะแก้ขต้องการที่จะปรับเปลี่ย น, นก็คือเปออขาเราทำได้ไหม แบบบางครั้งทำไมไม่ทำทุกครั้งาาจะแดงว่าเป็นใจขณะที่เปิดไม่รู้เป็นใจรักใช่ไหมใช่แต่แลราต้องต้องอ่านใจสิขาทำไมไม่ระวังนะเรากเปิดนะเอาได้เก้าสิบเอาชีเปิลนะไ 90. อ ช, ชีพึ่ง ช่วงไหนเป็นใตรักช่วงไหนเป็นใสิขาเวลาเดินแตรักช่วงกเดินเหยียบย่างคือใจรกับสิาตามความจําควาหลวงพ่อนะเป็นสอแบบความูิดก็อมันูกันเหยียบก้าวก็เป็นลใจสิขาเนี่ยก็ถ้าเราไปรู้สึกตัวแต่ที่ทุกคนอย่าง อยากได้ไปสาขาแต่ไม่ได้แบบงานก็เขาไม่เคยจะมิใช่เดิมความคิงชิงทำให้ประมาทไม่ระวังไม่ระวังแล้ีสติสัชัญะมารู้ตงทำให้เป็นความหลงได้เก้าสิบอ้าวไม่ชีชื่ออะไรฮะอับัทนทิบต้องถ า, ามบ่อยๆจะได้จำได้ ช่วงไหนเวลาเก้วันไหนช่วงไหนเป็นไตรักช่วงไหนเป็นไตรสิกขา จะทำได้มั้ยจะทำให้ไตสิขาสมบูรณ์ได้มั้ยก็ต้องหมั่นเพียรมีฝึกฝนตองอดทนนะอ๋อได้เก้าสิบทีเดียวนี่เอาละเหลืออีก3คนโอ้โหรุ่นเงินไหนนะ <ica> ใครจะแตกโชว์เนี่ยถ้าแตกโชว์แล้วสาธุดังๆเลยนะเอาคุณชนัะ อาการที่ยกย่างเห็นใจรักนะครับอาการที่เป็นใจตุลาด้วยคือช่วงที่มีปฏิกาหนดรู้ในการอาการของการเชื่อมต่อระหว่างใจรักก็คือการยกการย่างการเหยียดนะครับแล้วมีเหยียดในกายของรู้อาการที่เชื่อมต่อกันอคุณชนะรู้อยู่ใช่ไหมแก็ทำไมไม่ทําให้ได้ ขาดการกำหนดรู้ขาดการกำหนรูปแต่สมครใจที่จะเป็นไตรลักณ์ได้อยู่ยัง ไ, ไม่สมองได้ทาไม98ทีเดียวนะอีกสองร์ซนตน่าุนหน่อยอนนอนนอนนคุณนิกเพราะคนไทยท้ายเนี่ยจะได้เปรียบเพราะได้รวบรวมข้าต่อมาจากข้างต้นมาแล้วประเมินผลมาหมดแล้วเพราะนั้นไทยท้ายเนี่ต้องต้องแตกโชว์แ น, น่นอนอ้าวคุณนิก อ้าวไม่ต้องไปคำตอบของคุณนะไปคำตอบขอ ง, ของเขายังไม่เข้าใจนะรู้สึกได้ทุกครั้งไหมเกืบทุกครั้งไม้ก่อนหน้านี้หลังจากนี้ก็ตามเกืบทุกครั้งจะใช้เวลานานเท่าไหร่ที่จะได้ทุกครั้งไม่มีเกือบ เห็นสักพักนานไหมสักพักนี้ไม่ใช่เวลาแต่ไม่ฟันูงว่านานเท่าไหร่แม่ว่าจะซื้อผ้าเหลืองเตรียมออาไว้เลยนั่นเลยยืดออกไปเลยเอาละหันวินิวผมก็ผมผมทำยังไม่ได้ครับแต่ผมก็ครับ ที่สรุปมาก็อย่างนี้นะครับถ้าเกิดเราสามารถมีทั้งไตรักและไตสิกขาถ้าเรามีสติรู้ตัวทั่วพร้อมตอนยกย่างเงียบแต่ถ้าเราไม่มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมเราก็มีเฉพาะไตรักเวล า, ววลาไม่ตลอดเวลาไม่ถึงถ้าเราไม่รู้ตัวมก็ไม่ตลอดแต่ไตรักมีตลอดครับครับก็ต อ, ตอนที่เรารู้ตัวนะครับรู้ตัวแล้วก็ ทั้งรู้ตัวด้วยแล้วก็รู้ครับจะดูให้หน่อยจะดูเรื่องนี้ไม่ต้องการนัดที่ใบา ย, ยาวแต่ฟันทงลงไปเพราะว่าเป็นคําตอบสุดท้ายแล้วอนะเพราะน่าจะเปรียบนะไม่ใช่ว่าโอ้พระพวกเดียวกันก็แน่นอ น, นสิอ่ะเนี่ยไม่ใช่ไงเพราะอะไรบางคนจะเป็นคําตอบสุดท้ายเพราะฟังมา รู้ก็ถ้าสรุปไม่ได้นี่แย่เลยนะนี่สรุปได้คือสั้นๆแต่ชัดเจนว่าเมื่อใดเดินรู้ตัวก็เป็นไตสิกาเมื่อใดเดินไม่รู้ตัวก็เป็นแค่เนี้จบเลยือ <laughs> ไม่ต้องอธิบายว่าเท่าซ้ายเท่าขวาหนักหรือเบาไม่ต้องอนะ่ะเดินรู้ตัวทุกครั้งก็เป็นไตอไตสิกาทุกครัง้งถ้าเดินลืมตัวทุกครั้งก็เป็นไตล่าทุกครัง้งแค่นั้นจบไง่ายไหม <laughs> ทุกคนนั่งลง เมื่อก่อนเราจบเมื่อจบการอบรมแล้วเราจะมีการแชร์กันทุกครั้งแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนว่าตั้งคาถามแล้วให้ตอบอย่างนี้แหละเราก็ช่วคนจะได้ได้คำตอบอด้วยตัวเองนะฮะคืออยากจะให้เข้าใจสองเรื่องนี้ให้ชัดๆก็พอใจละไม่ต้องรู้เรื่องอื่นแต่ถ้าว่า ถ้าเข้าใจสองเรื่องนี้ชัดเจนเนี่ยมันก็ทะลุไปทั้งหมดเราก็จะเห็นความสําคัญของความรู้สึกตัวได้มากขึ้นเพราะเราต้องการที่จะให้มันเป็นไตรสิขานีแต่ไตรสิขาในโดยระดับละเอียดนั้นเราค่อยไปศึกษาเอาทีหลังว่ารู้สึกตัวแบบไหนที่ว่ามันเป็นศีลเนี่ยเข้าไปหารายละเอียดเอาแต่ตรงนี้ขอให้องค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบันที่เราต้องการเนี่ยให้มันเป็นจริงเสก่อน ห้มเป็นเนื้อเป็นตัวเราเสียก่อนถ้าองค์แห่งความรู้อันนี้ยังไม่เป็นเนื้อเป็นตัวเราเนี่ยถึง เ, เราจะไปแยกแยะศีลสมาธิปัญญาได้ละเอียดขนาดไหนก็มันก็ยังไม่ใช่ของจริงเพราะมันเป็นความจําเป็นรู้จักรู้จํามันยังไม่ชูรู้แจ้งรู้จริงเพราะฉะนั้นก็เพียงที่จะดอกย้ําตัวรู้สึกตัวแบบเนี้ไปเรื่อยๆก่อนแต่ว่า ในระหว่างทางเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งมาทดสอบเยอะแยะมากมายไปหมดที่เราจะไม่ค่อยเขวืนที่สับสนตรงนี้ต้องใช้คำว่าแล้วแต่อะไรแล้วแต่วาสนาออกแล้วมาแล้วแต่วาสนาคือแล้วแต่วาสนาขยันทำทำมาดีนะมันก็จะไม่สับสนไม่ลังเลมุ่งแต่ทางเดียว ในปัญหาอุปสรรคในระหว่างทางเยอะมากๆเยอะมากๆถ้าหากว่าบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยมันจะต้องมีจุดหักเหนะจุดใดจุดหนึ่งจุดได้แหละตัวนี้เองที่ที่เราจะต้องเพียรพยายามมุ่งมั่นแต่แรกเลยอธิษฐานจิตไว้เลยเามาอธิษฐานจิตไวนะ้แต่ต้นแรกๆในสมัยปฏิบัตินะว่าข้าพเจ้าปฏิบัติในวิธีนี้จะรู้หรือไม่รู้ ไม่เป็นไรแต่ขออย่าให้ข้าพเจ้าเป็นมิจฉาทิฐิขอให้เป็นสมาธิทิไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็าตามอธิฐานไว้แค่นี้แหละแล้วก็มุ่งมัน่นแล้วก็มุ่งมั่นว่าทางไหนที่จะค่อยเคลือไปจากสมา ธ, ธิแล้วจำมาให้มั่นเลยว่าสมาธิฐิคืออะไรใช่ไหมที่ได้กล่าวว่าทุกครั้งสมาธิฐิ definition ของมันก็คือหนึ่งให้รู้ว่าชีวิตนี้เป็นที่ตั้งของทุก์ไม่ใช่เปที่ตั้งของตน ไม่จะไปตั้งของตัวไม่ทีวไปตั้งของเราสองทุกนี้ต้องมีเหตุที่ไปที่มาทุกไม่ได้เกิดโดยบังเอิญสาทุกนี้ดับได้หรือไม่ได้ดับได้สให้ค้นหาวิธีนี่คือ d e ฟ i n i t i o ของคำว่าสมาธิทิให้จําจุดนี้ให้มันคงแล้วมันจะไม่ค่อยเคลยศาสตาอาจารย์ลงไหนมาอธิบายอย่างไรถ้าไม่ลงล็อกทั้ง4ข้อเนี่ย แล้วก็ท่านยังไม่เป็นทั้งสีข่ข้อท่านอธิบายได้อย่างลึกซึ้งมโหฬารแต่ว่าท่านยังไม่เป็นเนี่ยก็ออยังไม่ใช่ต้องรู้แจง้งรู้จริงแต่บางคนอาจจะเป็นแต่ว่าอธิบายไม่เป็นตรงนั้นน่าเชื่อถือมากกว่านะเพราะเวลามันเป็นเนี่ยเรารู้ออกว่าเป็นเป็นจริงแต่ถ้าว่าอธิบายดังหยดเยดิย้หยดยอด้ยอยลึกซึ้งแต่ถ้ามันไม่เป็นเนออก็รู้เพราะอาการเป็นเนี่ยมันรู้โดยโดยสัญชตาตญาณโดยมโน โดยมโนธรรมทำะมันทุกคนมีอยู่นะโดยสามัญโดยสามัญสํานึกมันมีอยู่แม้แต่สุนัขเนี่ยเราเพงรู้เลยตัวไหนมันรักเราตัวไมันชังเราใช่ไหมสุนัขมันก็รู้ว่าใครรักมันใครชังมันมันก็ยังรู้เลยเพราะในเรื่องเหล่านี้จึงไม่ยากต่อการรู้เพราะโดยโดยสามัญสํานึกมันจะรู้อะไรชัดเจนนะดังนั้นเองเราจึงต้องเชื่อมั่นในตัวรู้ตัวนี้อย่างมั่นคง ถ้าไม่เชื่อมั่นอย่างมั่นคงแล้วนะมันจะต้องมีอันต้องค่อยแขวสับสนในช่วงเวลาเวลาใดเวลาหนึ่งในขณะเดียวกันเราจะให้มันให้มันตรงทางในขณะที่เราเดินทางเนี่ยเราต้องไม่วอกแวกกับสิ่งข้างทางแลมุ่งมันมงม่นทำสิ่งที่เป็นกุศล เ, เขาใช้คำว่ากุศลสูประสัมปทาหนึ่งพยายามละในสิ่งที่จะทำให้เดือดร้อนในภายหลัง คนส่วนใหญ่นั้นพยายามจะทำดีพยายามจะทำบุญแต่ไม่ละบาปใช่ไหมยพยายามที่จะทำปฏิบัติเหลือเกินแต่กลับไปบ้านเป็นคนใหม่ละก็ <c oughs> ไปทำบาปตอ่อพอบาปเต็มที่เดี๋ยวร้อนอกลับมาทำบุญใหม่แต่พ่อเห็นว่าเมื่อกี้คุณไม่ต้องไปทำบุญหรอกเพียงแต่คุณละบาปก็เป็นบุญแล้ว เราะนอยู่ที่บ้านเราทําบุญได้ไหมเพียงแต่ละอะไรละสิ่งที่เราไม่พึงประทานนะคือละไตรลักคืออย่าเป็นไปกับใจลักษณแต่ให้ศึกษาใจลักณให้เฝ้าดูตจลักให้เฝ้าดูแล้วก็เปลี่ยนมันเปลี่ยนมันเป็นตัวใจสิขาเปลี่ยนเป็นตัวไม่รู้ให้เป็นตัวรู้อยู่เสมอนี่แค่นี้ก็ทําบุญละนะ อันนั้นเองในจุดนี้เราต้องไม่ลังเลนะต้องไม่หลังเลเพราะว่ามันมีสิ่งอยู่ข้างทางเยอะแยะที่จะชักจูงเราจะโดยวิธีใดก็ตามเพราะเดี๋ยวนี้มีสื่อมาสารพัดรูปแบบที่ให้ให้เราจะต้องเขาเรียกที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าเอสะปะสิทมังโลกังจิตตังลาชะระทูปะมัง อันธากาเลนิสีทันตินัติสังโฆวิชัยนตังนะบอกว่าสูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้มันอันตราการแหลมคมลึกซึ้งดุจราชรถมันลวดลายมันมันงดงามมนะันะดุจราชรถนะแต่สิ่งเหล่านี้คนเขาเท่านั้นหมกอยู่แต่ผู้รู้หาหมกอยู่ไปคือนะหมายความว่าหลงไหลกับสิ่งเหล่านี้คือคนเขา แต่คนที่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยมันจะไม่หลงไหลกับสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นอันตรายของโลกนี้คือความวิจิตราการของวัตถุยิ่งสมัยครังพุทธกาลก็ไม่วิจิตรอย่างทุกวันใช่ไหมการบรรลุธรรมจึงไม่ยากไงแต่ว่าครูวนี้การบรรลุธรรมยากเพราะความวิจิตรของวัตถุใช่ไหมเครื่องนี้มันไม่สวยต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่เครื่องนี้มันไม่ไฮเทคต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่แพงเท่าไหร่ช่างมันใช่ไหม นี่คือความแหลมคมของวัตถุรถคันนี้พอขี่ได้แต่อยากจะเปลี่ยนรุ่นใหม่รถนี้มันครั้งที่ใช้ไดแ้แต่ว่ามันตกรุ่นอย่างงี้นะทั้งทงี่มันยังมันยังไม่มีโทษอะไรเลยแต่ว่าเราใช้ได้อยู่แต่ว่ามันไม่ถูกกิเลสเราเท่านั้นเองอันนี้คือความแหลมคมของวัตถุที่ยากที่เราจะทนต่อ น, นั้นได้ฉะนั้นคำว่าความอดทนเนี่ยมันมีอยู่สีสถานหนึ่งอดทนต่อทุกขเวทนา นะหมายความว่าการทำการทำงานนี้ตักกรรมทำงานทุกเวทนาสองอดทนต่อทุกเวทนาเกิดจากความหิวหนึ่งทุกเวทนาต่อความเจ็บป่วยสองทุกเวทนาจากการหิวสทุกเวทนาจากการตักดำทำงาน4ี่ทุกเวทนาต่อการดูถูกเสียดสีและเยียดหยามถ้าใครทนได้อันที่สี่นี่สําคัญอันที่หนึ่งสองสามเนี่ย มันมีความจําเป็นใช่ไหมเจ็บป่วยก็ต้องต้อ ง, องจำเป็นต้องทนอ่ะมันมีทางเลือกหิวบางครั้งมันไม่ได้อาหารทันทีก็ต้องทนเวลาทําการทํางานมันก็ต้องตากแดดฝนก็ต้องทนด้วยความจำเป็นแต่การเสียสีการดูถูกดูหมิน่นการนินทากาันว่าร้ายกาันค่อนแคะหรือจะการคําพูดของคนอื่นเนี่ยถ้าใครอดทนได้ตรงนั้นอ่ะสำคัญ นะอดทนต่อการสิ่งย่วยุรุมเร้าล่อ ล, ลวงทั้งหลายเนี่ยความอดทนเนี่ยท่านว่าคืออุทนต่อมานนะอดทนต่อมานได้ที่ดามานตอนนั้นเองเราก็จะต้องที่สวดมาไม่แค่ขันติประวังตะบุธิที่เขาสวดมายาวในเรื่องของขันติเพราะนั้นคาถาบทนี้น่าจะไปท่องจำโยปนาปิขูนะนะดังนั้นเองก็ ไปยิ่งฝือความอดทนมากเท่าไหร่สมาธิเป็นไงยิ่งสูงเพราะสมาธิมาเริ่มต้นที่ความอดทนขันติโสรัจัทที่กล่าวไปเวันก่อนขันติโสระจาัเป็นต้นทางของสมาธิเพราะนั้นคนนั่งทนได้เป็นหลายๆชั่วโมงนั่นหมายคุณนั้นมีความอดทนและเขาก็จะได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือสมาธิถ้าไม่มีความอดทนสมาธิก็เกิดไม่ได้นั้นเวลาเราทางาน แต่ที่ได้กล่าวมาวันก่อนนู้นอีกว่าพระพุทธเจ้าเอาชนะมาด้วยการอดทนอย่างมีอะไรอดทนอย่างมีอะไรอย่างมีปัญญานั่นคือบีบมวยผมต้องใช้ปัญญาถ้าหากว่าเราอดทนแบบขาดปัญญาเกิดอะไรขึ้นเกิดความเก็บกด และกดดันและความความอดทนอย่างนั้นจะเปลี่ยนเป็นมาณทิฐิได้เปลี่ยนเป็นอัตาตัวตนที่จะสร้างสมพลังแล้วกลายเป็นโทสะในที่สุดอดทนแบบนั้นอันตรายเพราะไม่มีเพราะฉะนั้นมวยผมมันหมายถึงบีบมวยมันถึงน้ําใช่ไหมต้องมีน้ำเพื่อนำมาดับไฟเพราะตัวขันติมันเหมือนถึงไฟตัวปัญญาเนหมายถึงน้ําตัวขันติเหมือนถึงเกิดตัวปัญญาหมายถึงดับ เห็นไหมเอาไปามามันจะไม่พ้นสู่สองตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าที่ไหนมีเกิดที่นันก็ต้องมีดับก็จะสมดุลกันเพราะฉะนั้นตัวแม่ธรณีนั้นเป็นสัญลักษณ์ของการเกิดและการดับของกิเลสเพราะฉะนั้นจะต้องมีสมาธิและปัญญาตัวแม่ธรณีคือตัวสมาธิตัวมวยผมก็คือปัญญาเพราะนั้นอดทนก็อดทนอย่างมีปัญญานะ นั้นเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเรานั่งนานๆต้องทนเดินนานๆต้องทนแต่ทนที่ว่าเมื่อให้เกิดลักษณะเก็บกดหรือมานะทิฐิหรือโทสะเนี่ยแค่ไหนความจากัดมันอันนี้คือประเด็นที่ต้องถามเพราะมันเป็นประเด็นที่เราพูดกันไปก่อนแล้วแต่ว่าทบทนความจําว่าคันตีความอดทนตรงนั้นจะไม่เปลี่ยนเป็นไม่เป็นเป็นความกด เก็บกดหรือกดกั้นกดดันจนเป็นทิฏฐิมานะหรือจนเป็นโทสะเนี่ยแค่ไหนถึงจะถึงจะว่าพอดีที่จะไม่เปลี่ยนเป็นตัวนั้นะเป็นประเด็นถามต่อไปไใครตอบแค่ไห น, ไ น, นหหอ่าคื อ, ค ว, ค, ว อ, ค, อความทนอนั้นคือพอทนได้ โดยที่ไม่ถูกแปลสภาพความทุกข์เป็นไปสู่จิตมันจำกัดอยู่แค่กายนั่นคือเรียกว่าทนที่ถูกต้องแต่เมื่อใดที่ความทุกข์เหล่านั้นมันเกินทนนะมันเกินทนหมายความมันต้องแบ่งไปสู่จิตแล้วตรงนั้นเป็นสมุทยัยต้องแก้ไขทันทีนะต้องแก้ไข ตรงนั้นเราจะต้องใช้ปัญญาถ้าไม่ใช้ปัญญาก็จะไม่สามารถสกัดตัวทุกข์ที่ล้นไปจากกายได้ดังนั้นเราจะเป็นต้องใช้ตัวรู้ที่ว่าเมื่อกี้เราต้องใช้ตัวรู้ว่าตัวเหยียบหรือหนักเบาก็ดีนะมันก็จะต้องรู้จักทนเบาเกินไปก็ต้องทนหนักเกินไปก็ต้องทนแต่ถ้าหนักเบาสมดุลกันรปรั๊บ มันก็จะเป็นพอทนได้แล้วก็เกิดความพอดีแล้วก็การไปตามรู้การหนักเบาที่ต่อหนึ่งชัดเจนอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นองค์ของไตรศิาขานะเพราะนั้นเองสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าคนไม่เข้าใจก็ไม่เห็นว่ามันจะสำคัญหรือจำเป็นตรงไหนแต่คนเข้าใจเห็นว่ามีความสาคัญมากและจำเป็นมาก <S <S เพราะอะไร เพราะชีวิตมนุษย์มันไม่ได้เกิดมาได้ง่ายๆถ้าเราจะมัวใช้ชีวิตนี้เป็นทุกข์ทั้งกายทั้งจิตยีตลอดไปการเกิดปเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่ามีประโยชน์ไหมไม่เป็นประโยชน์แถมจะสร้างสั่งสมกองทุกข์ไว้ที่จะไปเวียนว่ายใจเกิดในอบายภูมิอีกมากมายถ้าเราไม่มีการฝึกฝนอย่างเนี้นะเพราะไม่รู้ว่าเราเกิดนี่แล้วถ้ า, าต้องไปเกิดอีกด้วยอํานาจของตันหาวประธานเนี่ยเราจะเกิดไปเป็น อาบายภูมิสัตย์สานานสักเท่าไหร่เราไม่รู้เพราะฉะนั้นเราจึงปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วก็ตั้งใจทำให้ต่อเนื่องทำให้ถูกต้องแล้วตรวจสอบอันไหนมันผิดพลาดตรงไหนเราไม่ได้ทำเพียงแต่เป็นให้สบายไปชาตินี้ชาติเดียวเท่านั้นนะแต่เหลือจากนั้นจะอย่างไรช่างมันไม่พอเราจะต้องสบายทั้งกายทั้งใจที่สัมผัสได้จริงๆแต่ คำว่าสบายทั้งกายนี่คือสบายพอทนได้ทุกก็พอทนได้สบายก็พอทนได้อย่าให้สบายเกินไปถ้าสบายมากเกินไปไปเกิดเป็นอะไรเป็นเทวดาถ้าสงบมากเกินไปไปเกิด เ, เป็นเป็นพรหมถ้าทุกมากเกินไปไปเกิดเป็นอบายภูมินะถ้าสุข ก, ก็พอทนได้ทุ ก, ก็พอทนได้ไม่เกินตรงนี้เป็นอริยะนะอริยะภูมิ นั่นเองนะ้เราศึกษาเพื่อให้คุณใจว่าไงนึกว่ายกมุญสร้างจังหวะสูงไปหน่อยอ่าอ่าแ่ทางร่างกายไมสามารถที่จะเอาไทอ่านั่นก็สามารถบรรลุทาบนเตียงได้เลยนะแบบคุณกำพลน่ะทงบนนุ่มนะบรรลุบรรลุทาบนเตียง ได้โดยการใช้ตามรู้ไปเรื่อยๆเพราะนั้นอยูในสถานการณ์อย่างนั้นน่ะอาจจะไม่รู้ทำได้ไววเพราะเราไม่มีทางเลือกกระทุ่มเทจะได้เต็มที่เลยเพราะนั้นรีบป่วยไว้ๆจะได้ไม่รู้ทำไม่ไหวลงทุนหน่อยนะก็เอาว่าสถานการณ์เอาสถานการณ์พลิกที่ฉันใช้ว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแต่โอกาสอย่างนั้นมันต้องเกิดขึ้นใช่ไหม ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ตามอย่าว่าต้องเจ็บป่วยไม่เกิดอุซิเหตุอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ตายนะมันก็อยู่ในภาวะที่เราไม่สะดวกละในระดับใดระดับหนึ่งดังนั้นเราจึงต้องไม่ประมาทในการใช้ชีวิตเนี่ยต้องไม่ประมาทแต่เมื่อมันมีวิบากกรรมที่ต้องบดดาลให้เราต้องประมาทก็ต้องยอมรับว่าเออนี่วิบากกรรมตรงนี้มาถึงแล้วนะทั้งที่เราเมตระวังเต็มที่แล้วนะ มันก็เกิดขึ้นอยู่ได้ตอนน้องนี่อันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันเป็นวิบากก็ต้องทําใจละต้องได้ชดใช้ชดเชยกันนะทีนี้ต่อมาถ้าเราเห็นความสําคัญเรื่องของไตรลักษณ์และไตรสิกขาชัดๆเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเข้าใจธรรมะได้ตามลําดับในวิธีการของโระเทียนคือรู้นะรูปนามเพื่อที่จะไม่ให้สําคัญผิดว่า รูปนามนี้เป็นเราเป็นเขาเป็นคนนั้นคนนี้เพราะถ้าสำคัญฝดว่าเป็นเราเป็นเขาเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของนามรูปหรือเป็นที่ตั้งของกิเลสตัณหาได้ล่ะเมื่อไรมีนามรูปวิชาก็เกิดตัณหาก็เกิดอุปทานก็เกิดแต่เมื่อไรไม่ปล่อยให้ความทุกข์เปลี่ยนมาเป็นนามรูปให้มาอยู่แค่รูปนามอาวิชาตัณหาอุปทานก็ไม่มีที่ตั้งทุกข์ก็เกิดไม่ได้ ทีนี้การที่จะไปทําเรื่องนี้ให้มันจริงจังให้มันเป็นจริงเนี่ยให้รู้แจ้งรู้จริงเนี่ยมันก็ต้องมีกติกาไอีกหลายอย่างที่จะอย่างน้อยย่อยๆสักสี่อย่างแล้วกันหนึ่งจะต้องมีการสํารวมอินรีย์ตามหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไม่ให้มันยืดยาวไม่ให้มันออกนอกเนือน้อนอกตัวไปไกลเกินไปนั่นใช้คำอินทรีย์สังวร ต้องระมัดระวังเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอันดับแรกเลยสองในความเป็นกฎกติกาใดๆที่เป็นไปเพื่อที่จะให้ตัวรู้นี้ได้อย่างต่อเนื่องเราต้องเคารพกฎกติกานั้นๆอาจจะเป็นศีลเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีเป็นกฎกติกาอะไรต่างๆก็ตามที่บัญญัติขึ้นที่เป็นไปเพื่อจะให้ จิตให้ดำรงอยู่ในตัวรู้ได้อย่างต่อเนื่องแล้วต้องเคารพในกฎกติกานั้นตามภาษาท่านใช้ว่าสํารวมในพระปาฏิโมกอันแรกเลยสํารวมอินรีอันที่สามนะอันที่สามปัจจะส น, นิทสิตศีลให้พิจารณาปัจจัยี ก่อนใช้สอยประจัยสีมีอะไรบ้างอาหารเครื่องหนุงหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคท่านให้พิจารณาก่อนใช้กี่ครั้งสามครั้งครั้งแรกให้พิจารณาว่ามันคือลูกกับดามนะมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเรา สิ่งที่กระทบเราเนี่ยอาหารก็เป็นรูปนามอันหนึ่งกําลังกระทบกับรูปนามอันหนึ่งแล้วเกิดปฏิกิริยาอร่อยหรือไม่อร่อยนะอันที่สองเสื้อผ้าที่เราใส่นี่มันเป็นเพียงรูปนามนะรูปนามอันนี้มันจะทําให้รูปนามอันนี้ให้เกิดความไม่น่าอายไม่น่าดังเกียจไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่งแต่ให้เป็นไปเพียงเพื่อการบําบัด ทุกข้อเสนาอันเกิดจากเหลือบอยุงรมแดดและสาริ ข, ขานเท่านั้นให้พิจารณาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองและครั้งที่สามพิจารณาก่อนที่จะใช้พิจารณาขณะใช้และหลังใช้แล้วก็ต้องพิจารณาอีกอันนี้กติกาอันที่สามอยากไหมโหอยากแค่ครั้งเดียวนี่ก็จะไม่ได้ทำอยู่แล้วนะอย่างนี้ว่าได้สามครั้งเลยนะ กติกาที่สี่ชาคัริยานุโยคภาษาหลักเขานะคือชอบทำความเพียรเป็นชีวิตจิตใจเออตอนนี้มันชอบทำอะไรอย่างก็ยังยากอยู่ใช่ไหมยังเขา้าๆออกสู้ๆถอยๆอยู่ใช่ไหมชาคัริยานุโยคประกอบการตื่นอยู่เป็นประจำ อนุโยคะาแปลว่าประกอบชาคาริยะแปลว่าตื่นประกอบการตื่นอยู่เป็นประจํานั่นคือชอบทําความเพียรเป็นชีวิตอ่าความเพียรนี่คือชีวิตจะทําการทํางานอะไรก็ได้นั่นนั้นฉันกำลังทําแหละความเพียรแต่สถานการณ์จริงวะมึงไม่น่ากูใช้กูเยอะเลยงานหนักขนาดนี้จะเอาเงินมาถมให้กูเมื่อไรจะหมดงานเมื่อไรจะถึงวันหยุดจะดีฉัน จ, จะได้หักเอาไปโน่นเลยนะ มันก็เลยไม่กลายเป็นความเพียรมันกลายเป็นภาระกลายเป็นขุมนรกไปเลยเห็นไหมอันนี้คือสิ่งที่มันลําบากเพราะฉะนั้นกติกาสี่ข้อดูเหมือนสั้นๆแต่ว่า ม, มันครอบคุมทั้งวัฏจิตกเลยนะแต่แค่สีข้อเนี่ยหนึ่งระวังสังวรในอีสีหกสองคารพกติกาและร <c oughs> ะเบียบดีที่เป็นศีลทั้งหลายสาม พิจรารณาสิ่งที่เราอาศัยอยู่ทั้งสประการสา่ให้ขยันรู้เอ า, อางี้ดีกว่านะเพราะถ้าประกอบความเพียรรู้มันจะเป็นรูปแบบไปนะถ้าขยันรู้เนี่ยมันได้ทุกรูปแบบไม่ไม่จะเป็นว่าจะเพียรหรือไม่เพียรแต่ขยันรู้เพียรรู้เรื่อยๆอามากน้อยก็ขอให้ทำถ้าในสประการนี้ทาได้ ก็สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ก็ตามเปอร์เซนที่เราเรารู้ถ้าเรามีใจอยู่ทําอยู่เนี่ยมันก็จงเดินไปเรื่อยๆส่วนเปอร์เซนต์มันจะเต็มอะไรกับ เ, เรื่องของมันเพียงแต่ว่าเราไม่ <c oughs> ไม่ถอยนะเพียงแต่เราไม่ถอยแล้วก็ในช่วงระหว่างกลางแห่งการเดินทางเนี่ยเราต้องไม่ไว้ใจสิ่งแวดล้อมรอบข้างมากเกินไป พร้อมที่จะเป็นอันตรายกับเราได้เสม อ, อสิ่งแวดล้อมต่างๆไม่ว่าที่เป็นวัตถุนิยมธรรมนิจิตนิยมก็ต่างที่มาเข้ามาผ่านมาในนี้ฉะนั้นยิ่งปัจจุบันนึกก็ยิ่งมีสิ่งที่สามารถดึงดูดเราชักนําเราไปทางผิดมากมายไม่ว่าทางโลกทางธรรมน ะ, ะทางธรรมเนื่องจามันทำยังไม่ถึงที่สุดมันก็สามารถล่อเราไปได้ที่เร า, าทางของมนนะันะนะ พระพุทธเจ้าบางครั้งท่านทักเลยนะดูก่อนมารผู้มีบาปเรารู้จักเจ้าแล้วเจ้าไม่ตรงมาล่อเราไอ้ทำนองเนี้ถึงขนาดเป็นพระพุทธเจ้านะ้ํามานพ่อยังก็ทนมันยังไม่เว้นนะ่ะในการที่จะหลอกลอ่อแต่พระพุทธเจ้าท่านรู้จั ก, จกล่ะท่านก็ชี้หน้าดูก่อนมารผู้มีบาปเธออย่ามาล่อเราอฉันรู้จักเจ้าแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นมารก็จะมาในรูปแบบต่างๆอ ทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่แหลมคมจริงๆเราก็จะรู้ยากบางทีมันมาในรูปแบบที่บางครั้งเนี่ยมาเนปลอมตัวเป็นพระพุทธเจ้ามาเลย อ, ะอ่ะ mm. พระนี่ที่ยังไม่ไม่รู้เรื่องนี้ก็ต้องค้มลงกล่าวพระพุทธเจ้ามาแล้วที่ไหนได้มานแปลงตัวมามันก็หัวเรอะชอบใหญ่ได้แกล้งพระอย่างเี้ยจนะท่านั่นเองก็ เรามีทางเดียวคือต้องบำเพ็ญตัวรู้คือตัวปัญญาเนี่ยให้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราเค่าคอยๆรู้จักว่าอะไรเป็นพุทธอะไรเป็นมารอะไรเป็นตัวจริงอะไรเป็นตัวปลอมมันก็จะความรู้ชนิดแต่เป็นคนรู้แท้อันนั้นเป็นคนรู้จริงคําสอนนะเป็นคําสอนที่แท้คําไหนสอนทีเทียมอะไรเนี่ยมันก็จะค่อยๆแยกแยะค่อยคัดเลือกไปเรื่อยๆแล้วก็มุ่งมั่นในเส้นทางอย่างจริงจังตั้งใจและอดทน นะคือเราอย่าไปอ้างว่าเราเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้ชายเราเป็นเพศที่อ่อนแอเราเป็นเพศไม่เกี่ยวกันเกี่ยวที่จิตใจเนี่ยมันมีพลังเหมือนกันนะมันไม่เกี่ยวกับเพศกับวัยเกิดอยู่เรื่องพลังของจิตความมุ่งมั่นเนี่ยบางทีผู้หญิงอาจจะต้องเข้มแข็งกว่าผู้ชายนะแต่ว่าเราจะไปถูกสมมุติมันครอบงำว่าเธอเป็นผู้หญิงเธอทำได้แค่นี้เท่านั้นนะแต่บางครั้งมันก็มีข้อจำกัดนะ อย่างอย่างหลวงพ่อเนี่ยในวัดหลวงพ่อจะไปนอนมุมไหนก็ไม่มีใครไม่รู้สึกวิตกกังวลอะไรใช่ไหมแต่แดโยมผู้หญิงไปไงแค่จะออกนอนนอกห้องก็ยังระบากใจอยู่แล้วนะนี่คือข้อจำกัดในเรื่องของของเพศของวัยนะเวลาฝนตกมาหลวงพ่อก็ตักน้ำฝนต่อน้ำต่อไฟต่อน้ำไปเรื่อยๆไม่ห ย, หยุดเคยหยุด แต่ผู้หญิงพอฝนพังยังไม่ทันตกห ล, ลบข้าวลมก่อนเลาวอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้คืออุปทานอย่างนี้เข้มข้นอยู่ฝนเพาะแปะพาะปแปะยังไม่ทันนี่เลยบางทีมันหลอกเร า, เาไปหลกล่มเฉยเลยมันไม่ตกเฉยเลยฝนนะก็มีหลายครั้งนะอ่าทั้นั้นบางทีความที่ขี้ขาดหวาดกลัวที่เราสั่งสมมาด้วยอุปทานของเราเนี่ยมันแก้ยากเหมือนกันเขาลองลองดูนะทุกอย่าง ม, มันต้องลองดูก็โดยการที่มาบวช อยู่กับวัดอยู่กับพระอยู่กับป่าไปเที่ยวป่าเที่ยวเขานั่นในช่วงที่เรามาพาญาติยโยมพาพระไปะสมัยก่อนๆเนีพานอนตามป่าตามเขาเวลาไปค่ายกันนี่เนะนี่ามสิบคนตามป่าตามเขาก็ทําให้องค์ผู้หญิงมีความอาหารมีความกล้าในเรื่ต่างๆแต่เราก็ไม่ประมาทนะเราไม่ประมาทแตเพียงเแค่ว่าต้องฝึกความกล้าหาญเพื่อปลดเปลื่ององุปทานบางตัว ออย่างปีนี้ไม่ชีไม่ชีพึ่งมาบทด้วยเนะี่ยไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเนี่ยถูกทดสอบหลายขนาดนึงเลยพาไปปล่อยป่าบ้างพาไปเดินป่าเองบ้างอะไรเนี่ยนะต้องเจอแล้วเนาะอันสานี่นะท่านั้นเองแต่คนที่อ่อนแอก็ไปอยู่กับหลวงพ่อยาวกันนะไม่ชีที่ไปอยู่กับพ่อเยอะแต่ ว, ว่าไม่รอดสักคนนั้นนะหนีไปก่อนไม่ผ่านบททดสอบนะแต่ต้องการให้เข้มแข็งนั่นเอง อ, ะอ่ะต้องการให้เข้มแข็งเมื่อจิตใจเข้มแข็งแข่ง แต่เราก็ไม่ประมาทเกิดอันตรายอันใดอหนึ่งเราต้องการฝึกให้เข้มแข็งแต่ก็ไม่ประมาทให้เกิดอันตรายนี่ข้อแม่มัน น, ะนั้นเองเพื่ออะเพื่อปลดปลื้ม อ, อุปทานบางตัวที่เราความเป็นหญิงเป็นชายครอบงําเราอยู่ก็อยากจะให้ศึกษานะเจริญสติในมิติเนี้ยไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีอะไรต้องฉุดกระชากลากถูวออกจากาเส้นทางซะก่อนที่จะถึง เป้หมายนะนั่นก็สมควรกับเวลาเนาะก็ขอนมุธนาสาธุในความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายที่จะต้องการศึกษาเรียนรู้ทำให้สมบูรณ์ในแง่ของไตรสิกขาให้ความพยายามของเราทำให้ได้อย่างต่อเนื่องโดยที่มีอุปสรรคปัญหาอะไรมาขวางกั้นให้ทุกรุปโปร่งถึงปลายทางด้วยกันทุกคนทุกท่าน อ, อ ระพงกันอรหังสมา